เพื่อนพอราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นแบบนั้นแหละอันนี้มันมันจํากัดเลยใช่ไหมเขาเรียกว่ากลายเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าไปเลยอย่างอย่างคนทั้งหลายคนเนี่ยนะถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะประกอบเนี่ยโอ้คนจะยกย่องวันนี้คนดีคนโอ้ดีจริงๆอ่ะนะพอราคะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ราคะเป็นเหตุให้ทุจริตเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาปั๊บหมดสภาพเลยอย่างบอโอ้คนนี้ใจซื่อมือสะอาดเหลือเกินเนี่ยนะ แม้พอได้ข่าวว่ายักยอกเงินเมื่อไรปั๊บเนี่ยหมดสภาพเลยเนี่ยครัหมดคุณค่าเลยบางคนแม้วูดีเหลือเกินงานเหลือเกินน่ารักเหลือเกินพอโกรธขึ้นมาทีหนึ่งกัน่ะหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะหรือความโง่เขลาบางอย่างเป็นเหตุปัจจัยก็ทําให้หมดคุณค่าไปเลยเพราะฉะคุณค่าของมนุษย์เนี่ยนะหรือคุณค่าของสัตว์ทั้งหลายของพระพิสุเป็นต้นเนี่ยถ้าราคาโทสะโมหะไม่กําเริบก็แม้ดูไม่มีประมาณเลยแต่ราคาทําให้มีประมาณ โทสะทําให้มีประมาณเนี่ยนะเรียกว่าถูกจํากัดด้วยราคะถูกจํากัดด้วยโทสะถูกจํากัดเอาไว้ด้วยโมหะเนี่ยล็อกไว้ให้แบบอะไรที่จริงอะ่ะมันควรจะไปได้ไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมราคาโทสะโมหะเหมือนคุกเหมือนตารางเนี่ยขังเอาไว้ให้อยู่ในโลกที่แคบแคบกลายเป็นว่าหมดสภาพเลยเนี่ยนะ อย่างบางทีเนี่ยถ้าเราราคะโทสะโมหะไม่กําเริบเราฉลาดกว่านี้กันเยอะเนี่ยนะแต่แม้พวกตัวนี้มันจํากัดจุดอ่อนของเราหมดเลยเนี่ยนะกำจัดให้เราเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เนะี่ยถูกสกัดและยิ่งกว่าถูกล็อกเอาไว้อีกเนี่ยนะหมดคุณค่าเลยก็เพราะราคะโทสะโมหะนี่แหลนะเนี่ยนะแม้พระองค์จึงบอกว่าค่าศึกภายในเพชฌฆาดภายในผู้ฆ่าภายในศัตรูที่คอยจองล้างจองผลันในภายในก็คือราคะโทสะโมหะนั่นแหละ Ờ, อัปปม wow> ัญญาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะโดยศับเนี่ยอัปปมัญญาในหน้าสามร้อยี่สิเอ็ดนี่ยนะอัปปมัญญาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะปกติแล้วคําว่าอัปปมัญญาเจโตวิมุตต์ทั้งหมดจริงๆแล้วมีอยู่สิบสองอย่างด้วยกันนะนหน้าสามร้อยยี่สิบเอ็ดบรรทัดที่สี่เห็นไหมอัปปมัญญาเจโตวิมุตต์ปกติแล้วมีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สิสิบสองอย่างสิบสองอย่างคืออะไร พรหมมิหารสี่มรค4ี่และผลสี่อะไรสิบอย่างนี่แหละ12อย่างพรหมวิหารสี่ก็ชื่อว่าอัปปมัญญาชื่อว่าไม่มีประมาณเพราะไม่มีประมาณในการแผ่ไปเป็นการแผ่ไปชนิดที่เรียกว่าไม่มีประมาณแผ่อะไรแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณแผ่กรุณาไปไม่มีประมาณแผ่โมที่ตาไปไม่มีประมาณาแผ่ 4, อุเบกขาไปไม่มีประมาณใการแผ่พรหมวิหารสี่ออกไปไม่มีประมาณเลยเรียกว่าอัปปมัญญาเจโตวิมุติ สข้อทีนี้ส่วนมัคสี่ผลสี่ชื่อว่าอัปปมัญญาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะรมให้มีประมาณโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสะกะทาคามิมัคสะกะทาคามิผลอนาคามีมัคอนาคามิผลมัคสี่ผลสี่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะ ไปทำให้มีประมาณเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกลือกกล้วเจือปนด้วยราคะโทสะและโมหะไม่เป็นอารมณ์ของราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นอปประมัญญาจึงมีสิบสองอย่างเนี่ยนะแต่จริงถ้าเป็นสภาวะของนิพพานอันนี้หาประมาณไม่ได้ปกตินิพพานก็เป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้เนี่ยนะโลกุตระธรรมเนี่ยนะหาประมาณไม่ได้ก็บอกว่าในบรรดา สิ่งที่หาประมาณไม่ได้ทวนอีกทั้งสิบสออย่างจะไหมคืออะไรบ้างพรมิหารสี่มรดสีผลสีทั้งหมดนั้นอะไรประเสริฐที่สุดท่านบอกว่าอารหัตตผลประเสริฐกว่าอัปปมัญญาทั้งสิบเออย่างที่กล่าวไปแล้วเนีย่ยนะทั้งหมดมีสิบสองอย่างไหมอรหัตตะผลเยี่ยมที่สุดอันนะพรมวิหารสี่ไม่ได้เศษเสี้ยวของโสดาปฏิมรัก โสดาปฏิมาก็ไม่ถึงโสดาปฏิผลก็คือไล่ไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นอรหั ต, ตผลจึงเป็นเจโตวิมุตต์อัปปมัญญาเจโตวิมุตต์ที่ประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่กว่าอัปปมัญญาทุกชนิดเนี่ยนะก็มีในในมหาเวทลัูษตรนี่แหละที่อธิบายอัปปมัญญาไว้สองใน น, นะอัปปมัญญาทั้งพรหมนิหารและอัปปมัญญาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะ อัปปมัญญาที่เป็นพรหมิหารหมายถึงว่าแผ่อแผ่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไปไม่มีที่สุดเนี่ยนะเลยเรียกว่าอัปปมัญญาส่วนโล ก, กุตรธรรมนี้ไม่มีราคะโทสะโมหะมาทำให้มีประมาณเพราะว่าไม่ถูกจํากัดไว้ด้วยราคะไม่ถูกจํากัดไว้ด้วยโทสะและโมหะทีนี้มาขึ้นขึ้นอะไรอากินจัญญายตนะอากินจัญญาเจโตวิมุติ อากินจัญญาเจโตวิมุตในหน้า289้หนังสือเหมือนพิมพ์ไม่เสร็จน่ะ น, นะอ่านกลับไปกลับมานั่นนะแหละทต่จริงเราเรียนถ้สลับไปนะทั้งพระไตรปิฎกทั้งอัตถกาถาจะได้เข้าใจเนื้อหากว้างขวางลึกซึ้งขึ้นกลางหน้าราคะเป็นเครื่องกังวลกินจนโนเนี่ยนะกินจนโนนี่เ้วเครื่องกังวลราคะที่เรียกวความรักเทียวเป็นเครื่องกังวลก็คือราคะนั่นแหละเป็น เป็นความกังวลโทสะก็เป็นความกังวลโมหะก็เป็นความกังวลกินชนะมันกังวลอ่ะนะกังวลด้วยราคะกังวลด้วยโทสะกังวลด้วยโมหะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เรากังวลก็คือราคะโทสะและโมหะสมัยเราชอบอะไรสักอย่างเราก็กังวลกับสิ่งที่เราชอบเราเกลียดเนี่ยนะโทสะก็หมายกังวลกลัวศัตรูจะมาพบกันอ่ะนะกังวลกลัวจะเจอคู่เกัก กังวลและเกินกลัวกว่าจะเจอกลัวจะเจอคู่เวรไอ้ความไม่รู้นี่ยิ่งเป็นเหตุให้กังวลไม่รู้ว่าอะรจะเกิดขึ้นบ้างยิ่งวิตกยิ่งกังวลเพราะฉะนั้นเครื่องกังวลนั้นหมายถึงโลภะโทสะโมหานี่แหละเป็นตัวตัวทำให้เกิดความกังวล ราคะโทสะโมหะอันภิกษุผู้ขี่นาศพละได้แล้วถอนรากได้แล้วทำให้เป็นเหมือนกับตาญยอดด้วนทำให้ไม่มีแล้วไม่เป็นแล้วไม่มีความเกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาอวุโสเจโตวิมุตติทั้งหลายที่บริกรรมว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหรืออากินจัญญาเจโตวิมุตตทั้งหมดเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดเจโตวิมุตต์คืออรหัตผลเจโตวิมุตติ ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของเจโตวิมุตต์ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะอารหัตผลเจโตวิมุตต์ไม่กําเป็นธรรมชาติที่ว่างคือปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะนะอรหัตผลเจโตวิมุตติเนี่ยเยี่ยมที่สุดประเสริฐที่สุดปกติแล้วเนี่ยนะอากินจัญญายตอากินจัญญะเนี่ยหรืออากินจัญญาเนี่ยนะ ไม่มีกังวลเนี่ยไม่มีกังวลโดยสับเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อากินจัญญะทั้งหมดมีอยู่9สิ่งด้วยกั น, น, นะ น, นเนี่ยนะในหน้า321เนี่ยนะนับขึ้นบรรทัดที่8นับขึ้นจากข้างล่างขึ้นบนเนี่ยแบรรทัดบอกว่าสิ่งเก้าอย่างคืออากินจัญญะอากินจัญญายตนะหนึ่งมรสีผลสี่รวมเป็น9เนี่ยนะอะนะ ทั้งหมดชื่อว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตต์หลุดพ้นเพราะอะไรนะหลุดพ้นเพราะไม่สําคัญว่าไม่สําคัญไม่ยึดถือหลุดพ้นแบบไม่มีกังวลน่ะนะความหลุดพ้นโดยไม่มีกังวลเนี่ยทั้งหมดมีอยู่เก้าอย่างคืออากินจัญญายตนาสมาบัตินี่หนึ่งแล้วก็มัดสี่ผลสี่รวมเป็นเก้าในทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะท่านบอกว่าอากินจัญญายตนะเนี่ย อากินจัญญาญตนะะที่เป็นอรูปฌานไม่มีอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกังวลไม่มีอารมณ์ที่มาคอยเบียดเบียนยั่นยีรบกวนยุ่งยากนโอยหนึ่งก็ไม่มีไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งเพราะนัตถิกินจิมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์นะเพราะฉะนั้นอากินจัญญาเจโตวิมุติที่เป็นอรูปฌานจึงไม่มีอะไรมาก่อให้กังวลได้ส่วนมัคสีผลสี ก็ชื่อว่าอากินจัญญายาอากินจัญญาเพราะอะไรเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะมาก่อให้กังวลแต่ถ้าจริงๆสู ง, งสุดเลยก็คือนิพพานนี่แหละไม่มีเครื่องกังวลแต่นิพพานไม่ชื่อว่าเจโตวิมุตตินิพพานมีใจเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพูดเจโตวิมุตตหลุดพ้นทางใจเนี่ยนะนิพพานไม่ใช่ไม่ใช่ใจเพราะฉะนั้น ทั้งหมดที่พูดถึงจะไม่พูดถึงนิพพานเนี่ยนะแต่ว่าตัวที่อัปมัญญาจริงๆก็คือนิพพานตัวที่สูงสุดอ า, อากินจัญญาเนี่ยนะหรือว่าไม่มีเครื่องกังวลแม้แต่นิดเดียวคือนิพพานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเร า, เามีบวกคําว่าเจโตวิมุตต์คือใจหลุดพ้นทางใจเข้ามาด้วยเลยไม่ไม่พูดถึงนิพพานเนี่ยนะ ทวนอีกครั watering, ้งหนึ่งที่บอกว่าราคาโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นตัวเบียดเบียนหรือเป็นตัวที่สร้างความกังวลให้เนี่ยเพราะอะไรพ่อราคาโทสะโมหะเนี่ยเบียดเบียนย่ำยีรบกวนบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นราคาโทสะโมหะจึงเป็นตัวเบียดเบียนก่อให้เกิดความกังวลต่อให้เกิดความยุ่งเหมือนอะไรเหมือนคนกําลังพาเอาวัวเนี่ยนะมันนวดลานข้าวอยู่ต่างก็พูดว่าไอ้ดาเบียดเบียนเข้าไปไอ้ดำเบียดเบียนไอ้แดงเบียดเบียนเข้าไป บอกว่าวิธีนวดข้าวโบราณนะบางแห่งอาจจะยังมีอยู่นะเมืองไทยเนี่ยอาจจะหาทำยายากแล้วล่ะการเอาวัวเอาควายมานวดข้าวแต่ที่อินเดียหรือเนปาลเนี่ยยังมีอยู่ก็คือเขาก็จะเอากริข้าวเนี่ยมาเรียงมากองไว้เนี่ยนะคือเขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเอาฟ่อนข้าวมัดข้าวเนี่ยมากองกองกองมาเรียงไว้เต็มลานข้าวเสร็จแล้วก็เอาวัวเอาควายเนี่ยเดินขึ้นไปเหยียบบนข้าว เดินเหยียบบนบนฟ้อนข้าวเนี่ยนะมันก็จะร่วงออกจากเนี่ยนะเขาก็จะเอามาร่อนเอามาร่อนมาร่อนแล้วก็เอาพวกอะไรนะข้าวรีบข้าวอะไรเอาออกไปก็จะเหลือแต่ข้าว shorter, นนี้วิธีโนดข้าวโบราณสมัยใหม่มาอย่างนั้นแล้วก็วมีเครื่องนดข้าวแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเอาวัเาวเอาควายมาเดินเหยียบแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้เขาบอกว่าไอ้อากินจัญญะตัวเบียดเบียนก็เหมือนกั บ, บวัวควายที่เดินเหยียบเหยียบอะไรเหยียบรวงข้าวที่เ้าเอานดข้าวโบราณเนี่ยอย่างที่ว่า ทีนี้ต่อไปต่อไปก็ในหน้าสองร้อยแปดสิบเก้าอันนี้อธิบายอะไรเอ่ยอธิบายสุญญาตาเจโตวิมุตข้อภัยอปอะไรนะอนิมิตาเจโตวิมุตเนี่ยนะหน้าสองรอแปดสิบเก้านับขึ้นบรรทัดที่สี่ราคะนั่นเทียวเป็นเครื่องธรรมนิมิตคือราคะเนี่ยมันมีเครื่องหมาย โทสะก็มีนิมิตคือเครื่องหมายโมหะก็เป็นตัวที่สร้างเครื่องหมายราคะโทสะโมหะเหล่าใดอันภิกษุผู้ขี่นาศพละได้แล้วถอนรากได้แล้วทําให้เหมือนตามยอดด้วนแล้วไม่มีอีกต่อไปเนี่ยนะมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตต์คืออรหัตผลเจโตวิมุตต์ทั้งหลายชนิดที่เรียกว่าอปมัญญาอานิมิตตาเจโตวิมุตต์ที่ไม่กําเริบเพียงใด อรหัตตะผลเจโตวิมุตตินี่แหละสุดยอดสูงสุดกว่าเจโตวิมุตต์ทั้งปวงอันนะั้นมากกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตต์ทุกชนิดคนแบบที่เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะต่างกันแต่โดยพยัญชนะแต่โดยอัถานี่เหมือนกันย้อนกลับมาในหน้าสามอยยีบสอัตกถาเนี่ยนะบอกว่าสิ่งที่ทําเครื่องหมายนี่คืออะไรราคะโทสะโมหะเป็นตัวที่สร้างเครื่องหมาย เครื chat, ่องหมายแห่งราคะใช่ไหมเครื่องหมายแห่งราคะคืออะไรสุภะนิมิตเครื่องหมายแห่งโทสะปฏิทคานิมิตเครื่องหมายแห่งโมหะก็คืออุเบกขานิมิตทั้งหลายคือนิมิตเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะนิมิตเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะด้วยนิมิตเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งโทสะนิมิตเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะด้วยมันอารมณ์ทั่วไปโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะ เครื่องหมายแห่งราคะโทสะโมหะก็คือนิมิตทั้งหลายทั้งที่เป็นสุภานิมิตนะทั้งอิทธารมณิธนนารมัชชะตารมเนี่ยนะอิทธะหรือท่านบอกว่านิมิตที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเครื่องหมายแห่งวัวเนี่ยนะ ว, วัวของใครเนี่ย เขาก็จะมีเครื่องหมายประจำตระกูลของเขาว่าเออนี่วัวของตระกูลนี้ตระกูลนี้เป็นต้นฉั้นใดเนี่ยนะ อ, อ, อารมณ์ทั้งหลายโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะนิมิตเครื่องหมายยี่ห้อสติ๊กเกอร์ของราคะโทสะและโมหะก็ไปแปะไว้ทั่วไปหมดเนี่ยนะสิ่งที่ไม่มีอนิมิตเนี่ยนะอนิมิตสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายทั้งหมดมีอยู่13อย่างนะในหน้าส2มร้กลางหน้าเนี่ยนะบอกว่าวิาวปัสสนา ก็เรียกว่าไม่มีเครื่องหมายอารูปปชาญสีก็ไม่มีเครื่องหมายแล้วก็มรสีผลสีก็ไม่มีเครื่องหมายรวมเป็น13อย่างอธิบายว่าวิปัสสนาก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะเพิจกจากคือวิปัสสนาถ้าเจริญดีเนี่ยจะไม่เป็นไม่เป็นนิจจานิมิต น, นะไม่สําคัญว่าเที่ยงเลยเนี่ยนะจะไม่สําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่เป็นของเที่ยงเลย ถ้าเจริญอานิจจานุปัสสนาไว้เป็นอย่างดีถ้าเจริญทุกขานุปัสสนาไว้เป็นอย่างดีจะไม่มีเครื่องหมายว่าขันอายตนะธาตุเป็นสุขเลยถ้าเจริญอานิมิตตาสุญญานุปัสสนาไว้เป็นอย่างดีหรืออนัตตานุปัสสนาไว้เป็นอย่างดีจะไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นอัตตาอยู่เลยเพราะฉะนั้นอานิจจานุปัสสนาจึงละนิจจานิมิตรทุกขานุปัสสนาจึงละ สุขานิมิตอนัตานุปัสนาเจียงละอัตานิมิตหรืออนิจานุปัสนาเนี่ยนะละนิจจาวิปปะละทุกขานุปัสนาละสุขวิปปะละอนัตานุปัสนาละอัตตวิปปะละทั้งหลายเนี่ยนะันจึงไม่มีเครื่องหมายที่สําคัญว่าเที่ยงสุขงามและอัตตาในขันอายตนะเลยพันวิปัสนาจึงเรียกว่าอนิมิตตะแปลว่าไม่มีเครื่องหมาย อารูปประชานสี่ก็ไม่มีเครื่องหมายเพราะอารูปประชานไม่ใช่รูปเมื่อไม่ใช่รูปแล้วอะไรเป็นเครื่องหมายไม่มีสีเสียงกลิ่นรสพอที่จะทําให้เป็นเครื่องหมายได้อย่างในโลกนี้เครื่องหมายทั้งหลายเอาสีเป็นเครื่องหมายใช่ไหมเอาสีทั้งหลายเช่นถนนหนทางพวกนี้ใช้สีทั้งนั้นแหละเป็นเครื่องหมายใช้สัญลักษณ์ต่างๆเป็นเครื่องหมายบางทีบางอย่างก็ใช้เสียงเป็นเครื่องหมายเตือนให้สัญญาณเตือนภัยเป็นต้นก็ใช้เสียงเป็นเครื่องหมายบางอย่างก็กลิ่นเนี่ยมันก็เป็นตัวเตือน เป็นเครื่องหมายบอกว่าอาหารสุกหรือไม่สุกเป็นต้นเนี่ยนะอาหารายังดีหรือยังไม่ดีก็กลิ่นเป็นเครื่องหมายบางอย่างก็มีรสเป็นเครื่องหมายว่าถ้าสิ่งนี้มันต้องมีรสแบบนี้แบบนี้บางทีก็มีองศามีอุณหภูมิคือโพธภารลมเป็นเครื่องหมายบางทีก็มีความแข็งความอ่อนวัดค่าเนีน่ยนะอย่างเช่นเขาวัดค่าอาใช้ความแข็งกับความอ่อนอัดแน่นไม่แน่นขนาดไหนเป็น เครื่องหมายเนี่ยนะก็ใช้ดินน้ำไฟลมนี่แหละเป็นเครื่องหมายแต่อารูปประชามทั้งหลายไม่มีเครื่องหมายคือรูปคือมหาภูต ร, รูปสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นไปเป็นเครื่องหมายเลยส่วนมรดผลเนี่ยไม่มีเครื่องหมายอยู่แล้วเพราะไม่เป็นเครื่องหมายของกิเลสอีกต่อไปกิเลสเลิกหมายหัวแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าพลวิสัยของกิเลสเขาเรียกว่าหลุดพ้นอำนาจมานเหนือวิสัยมารก็เรียกว่าโล ก, กุตระธรรมเนี่ยนะ ส่วนสภาวะของนิพพานเนี่ยอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอย่างแน่นอนเพราะนิพพานไม่มีเครื่องหมายคือรูปขันนิพพานไม่มีเครื่องหมายคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเพราะนิพพานเป็นขันทวิมุติพ้นจากขันห้าไม่มีเครื่องหมายคือขันห้าตรงกันข้ามเป็นธรรมที่ดับขันห้านิ่พานั้นไม่มีเครื่องหมายคือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือ ใจมันตาหูจมูกลิ่นกายใจไม่เป็นเครื่องหมายของนิพพานเนี่ยนะเพราะนิพพานจึงไม่มีเครื่องหมายคือขันอายตนะธาตุ ท, าทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะเพราะนิพพานจึงเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นอย่างแน่นอนสรุปว่านิพพานเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยหลุดพ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีประมาณนิพพานเนี่ยหลุดพ้นแบบเรียกว่าไม่มีกังวล นิพพานเนี่ยเป็นความว่างจริงๆนิพพานนี้ไม่มีเครื่องหมายเพราะฉะนั้นอัปปมัญญาอากินจอากินจัญญาแล้วก็สุญญาตาอานิมิตาท่านบอกว่าเป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นอย่างนั้นนะนะในตอนท้ายท่านบอกว่าอยังนั้นบอกว่าออสิ่งที่เรียกว่าว่างจากออไม่มีประมาณไม่มีกังวลเป็นของว่างเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายเป็นชื่อของนิพพาน ก็คงได้บทสรุปข้อสรุปว่าสี่คำอะนะสีค่คำคืออัปมัญญาเจโตวิมุตต์อากินจัญญาเจโตวิมุตต์อากินสุญตาเจโตวิมุตต์อนิมิตาเจโตวิมุตต์ที่ต่างกันทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะเนี่ยนะกับต่างกันแต่พยัญชนะอัฏฐะเหมือนกันก็โดยปริยายต่างๆตามที่กล่าวมาแล้ว เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวธรรมะปรยายันี้จบลงท่านพระมหากโกธิตะก็เพลิดเพลินภาสิทธ์กับท่านพระสารีบุตรเป็นอย่างยิ่งด้วยประการชนีแลเนี่ยนะก็คืออนุโมทนาชื่นชมยินดีเนี่ยนะก็ทั้ง32คำถามสามสิบสอคำตอบนี้ก็คงเป็นเครื่องเป็นอาหารของสติปัญญาไม่ใช่น้อยเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังพระธรรมคําสอน ทั้งโดยการอ่านและการฟังการเครีครวญการค้นคิดขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญแล้วนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ละทำที่ควรละทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเจริญทำที่ควรเจริญตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกโดยท่วนการอนุโมทนา